วันนี้เป็นวันสุขที่12พุทธสภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันที่พทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างพระกันการสร้างพระนี้ ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันการสร้างพระที่ถูกต้องกับการสร้างพระที่ไม่ถูกต้องการสร้างพระที่ถูกต้องก็คือการสร้างพระตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระอริยเจ้าขึ้นมา ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุนี้ไม่มีพระอาาริยสงสาวกปแม้แต่รูปเดียวแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุพระอาหารหันต์สามมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงสร้างพระอาาริยเจ้ากันขึ้นมา ทรงสร้างพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์เช่นวันมาข้าบูชาวันเพ็ญเดือนสามสร้างพระอาหารหันต์หนึ่งันสองร้ห้าสิบรูปแล้วนี่แหะคือพระที่พทธเจ้าทรงสร้างและทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันน เป็นวิธีสร้างพระที่ถูกต้องส่วนการสร้างพระที่ไม่ถูกต้องสร้างอย่างไรสร้างอะไรก็คือการสร้างพระพุทธรูปต่างๆนี่พระพุทธรูปเนี่ยที่เราเททองหล่อพระกันสร้างพระพุทธรูปกันวัดแต่ละวัดนี่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยเป็นพัน เหล่านี้เรียกว่าพระเกไม่ใช่พระไม่ใช่พระอาริยเจ้าไม่ได้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงสร้างพระพุทธรูปแม้แต่เพียงรูปเดียว <S S S yeah. เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราอย่าไปเสียเวลากับการสร้างพระที่พระพเจ้าไม่ทรงสอนให้สร้างเลยไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเป็นประโยชน์แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้สร้างเป็นบุคคลแรกเลยพระพุทธเจ้าบอกมาม า, มาสร้างพระพุทธรูปกันมาเททาองรอพระกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้เลยนาก็ไม่เคยทําอย่างนี้เลยมีคนสร้างพระพุทธรูปแล้วเอามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูป เราเป็นเราเป็นพระธรรมคาสั่งคําสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่จะปฏิบัติผู้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นผู้ที่เห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็คือผู้ก็คือพระอริยบุคคลต่างๆสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโคโอชิวอชุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโคยาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโค นี่แหะคือพระที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้ามีอยู่สี่บุคคลด้วยกันในแก่พระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่แหะคือพระที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างกันทรงสอนให้สร้างด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ด้วยการทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราลองไปค้นหาดูในพระไตรปิฎกดูว่ามีคําสอนไหนไหมที่บอกให้สร้างพระพุทธรูป ก, กันมีพระคัมภีร์พระสูตรไหนบ้างที่ทรงสอนว่าพวกเธอทั้งหลายมาสร้างพระกันมาสร้างพระอริยะหรือมาสร้างพระพุทธรูป ก, กัน ในแต่ละคัมภีร์นี้มีแต่สอนให้มาสร้างพระอริยเจ้ากันทางนั้นไม่มีมาไม่มีคัมภี์ใดมาสอนให้มาสร้างพระพุทธรูปพรางต่างๆกันแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้มันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธเราไม่สนใจคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่เข้าหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเราคือพระธรรมคำสั่งคำสอนผู้ใดอยากจะเห็นเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าให้เข้าโดยการศึกษาด้วยการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอะไรจะเกิดตามมา ก็คือการบรรลุมรผลนิพพานมรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมั ก, ก็คือการปฏิบัติผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆปฏิบัติขั้นโสดาบันก็จะได้ผลคือขั้นโสดาบันปฏิบัติขั้นสกิทาคามีก็จะได้ผลขั้นอนา ส, สกิทาคามี ปฏิบัติท่านอนาคามีก็จะได้ผลท่านอนาคามีปฏิบัติท่านอรหัตธรรม ก, ก็จะได้ผลคือท่านอรหัตตผลอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การสร้างพระพุทธรูปชนิดต่างๆสร้างสมัยนี้แข่งกันสร้างพระพุทธรูปกันเหลือเกิน แต่ละว่าแต่ละสถานที่นี้ต้องสร้างพระพุทรูปให้ยิ่งใหญ่ให้ใหญ่โตแล้วมีใครถามไหมว่าสร้างไปทำไมใหญ่ใหญ่หญโตโตได้ประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างหรือไม่ไม่มีใครถามไม่มีใครตอบ ม, มีแต่ทำกันแข่งกันคิดว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรัง่งทรงสอนกัน นี่คือการสร้างพระที่ไม่ถูกเป็นการสร้างพระเก๋ไม่ใช่เป็นพระสร้างพระพระจริงพระเก๋หรือพระปลอมพระพุทธรูปเนี่ยทั้งหลายที่มีกี่รูปอยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นพระเก๋ทั้งนั้นอ่ะเป็นพระพุทเป็นพระปลอมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นพระจริงพระจริงต้องเป็นพระที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นภาพที่ได้บรรลุสโสดาบันบรรลุสกิาทาคามีอานาคามีอรหันต์ซึ่งจเรียกว่าเป็นพระแท้เนี่ยสมัยพระพุทธการนี้่เขเจ้าไม่สนใจในการสร้างาพระปลอมเลยพระเกเลยและไม่ส่งเสริมใครคนที่สร้างาพระปลอมมาด้วยเอาพระปลอมมาบวมาถวายท่านก็ไม่รับ ท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่เราเนี่ยเห็นไหมท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปไม่ใช่เราเรียกว่าพูดด้วยความสุภาพก็คือพระพุทธรูปนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นพระเก๋เป็นพระอร้อมถ้าอยากจะสร้างเราสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเนี่ย ให้มาสร้างด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเรา yeah. Yeah. อยู่ที่ทำรร <Yeah. S 2> ผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต <Yeah. S 2> ผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธพระพุทธที่แท้จริง yeah. Yeah. อันนี้เรื่องของชาวพุทธเราที่ไม่ทราบว่าไปไหนกัน <Yeah. S 2> มา เตือนกันหรื อ, อยังก็ไม่รู้สร้างเพกาะลูกแล้วกลัวท่านไม่ตื่นยองมานั่งปลุกเสกกันอีกนั่งปลุกเสกกันสามวันสามคืนปลุกยังไงก็ไม่เตือนหรอกพัะอิดพับปูนพระเหล็กเยมันจะไปเตือนได้ยังไงมันก็เป็นเพียงวัตถุแต่ก็เชื่อกันโ อ, อ้เชื่อว่าได้นั่งปลุกนั่งเสกว่า เป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องร่างของขั ง, งก็มีราคาแล้วสิ น, นี่มีผ้าเกจิครูบาอาจารย์ต่างๆมานั่งปลุกมานั่งเสกมานั่งเป่าต้องเป็นผ้าแท้แล้วตอนนี้แล้วผ้าแท้ไปทำอะไรได้ผ้าแท้คืออะไรก็ไม่รู้วันนี้กลับไปคิดว่าผ้าแท้พรี่้าที่เสกที่เป่าเนี่ยผ้าแท้ พระที่จะเป็นของที่เราสามารถที่จะดนบรันรดาลสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันอยากได้เนี่ยตอนนี้อยากได้เลือกตั้งอยากชนะเลือกตั้งก็เอาพระแท้ไปเดี๋ยวก็ได้อยากจะร่าอยากจะรวยมีพระแท้เดี๋ยวก็รวยมีมีพระที่ปลุกเสกเรียบร้อยแนละ้ว ห้อยคอหรือเอาไปตั้งไว้ที่บ้านกราบไหว้เช้าเย็นขอพอรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของความงมงายของชาวพุทธเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้งองเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนเลยเรื่องของการสร้างพระพุทธรูป แล้วก็มานั่งปลุกเสกกันให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วจะได้มาขอขอลาบขอยศขออะไรต่างๆกัน <c oughs> ขอความปกป้องคุ้มครองรักษา <c oughs> ให้แก้วข้าปลอดภัย <c oughs> จากทุกทุกภัยอันตรายต่างๆทำไม่ได้หรอก เวลามีคนตายอุบัติเหตุไปดูบางคนนี่ห้อยผ้าเป็นเต็มคอเลยถ้าผ้าคุ้มครองได้มันต้องไม่ตา ย, ยมันไม่ได้เป็นของที่มาคุ้มครองเราได้ทำอาไรให้กับเราได้มันก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองถ้าทำมาทามาจากดินก็เป็นดินทามาจากโลหะก็เป็นโลหะ มันไม่สามารถมากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้หรอก <Yeah. S 2> มีอะไรที่สามารถกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ก็มีสิ่งเดียวเท่า น, นั้นล่ะก็คือใจของพวกเรานี่แหละที่จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่จะกลายเป็นพระขึ้นมา <Yeah. S 2> ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างพระกันนี้ <Yeah. S 2> ก็ให้มาสร้างใจเรานี้ให้เป็นพระ ใจเรานี่แหละเป็นผู้ที่สามารถที่จะเป็นพระได้เป็นพร ะ, ส ะ, พระสโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันตะ์ก็คือใจของพวกเหล่านี้เท่านั้นเองไม่มีไม่มีที่อื่นที่จะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ออหินอ่อนนี่เอามาเอามาสกัดมา แต่เป็นรูปพระก็เป็นพระอริยะขึ้นมาไม่ได้นอกจากสมมติขึ้นมาได้ติดป้ายได้ว่านี่คือพระโสดาบันนี่คือพระอรหันต์นี่คือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านี่คือพาอาระสารีบุตรนี่คือ พ, พ, อพาาระโมกขลาอันนี้เป็นเพียงป้ายนั่นเองป้ายติดไว้เฉยๆตัวจริงๆของมันมันเป็นเพียงวัตถุ เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเุกตาที่เราทําจากวัตถุชนิดต่างๆบางทีก็สกัดมาจากหินอ่อนบางทีก็สกัดมาจากยกบางทีก็สกัดมาจากมรกตบางทีก็เอามาจากทองคำเอามาเทเอามาหลอมเป็นทองคําขึ้นมามันเป็นวัตถุเท่านั้นแนหะ มันไม่ได้เป็นที่จะแปลงให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้สิ่งที่จะกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็คือใจของพวกเราทุกคนนี่แหละนี่แหละเป็นวัตถุดิบที่จะสร้างพระที่จะทําให้มีพระอริยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ใจของพวกเรานี้ถ้าเราอยากจะสร้างพระให้เรามาสร้างที่ใจของพวกเราน เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสอนศรัทธาญาติโยมในสมัยพุทธกาลสอนให้เอาไปสร้างพระกันเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับแผนที่หรือเป็น <c oughs> แม่แบบฉบับแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างเวลาจะสร้างบ้านเขาต้องมีแบบก่อนเขียนแบบก่อนเห็นว่าจะเอาบ้านแบบไหนดีละ จะเอาบ้านทรงไหนทรงยุโรปทรงไทยทรงประยุกต์ทรงอะไรก่อนจะสร้างก็ต้องมาเขียนแบบก่อนเขียนให้พอเขียนแบบเสร็จแล้วก็เอาไปสร้างตามแบบที่เขียนก็จะได้บ้านที่เป็นไปตามแบบถ้าไม่มีแบบก็สร้างไปตามความรู้สึกนึกคิด ไม่รู้จะเป็นบ้านแบบไหนออกมาก็จะไม่รู้ถามคนสร้างคนสร้างก็บอกไม่รู้เหมือนกันสร้างไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้สร้างแบบไม่มีรูปแบบถ้าสร้างมีรูปแบบแนละ้วมันจะต้องออกมาตามรูปแบบที่เราได้เขียนไว้ฉันใดคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นแบบแบบสร้างพระพระที่พระเจ้ามีแบบที่พระที่พระเจ้า แบบที่ให้สร้างพระนี่มีอยู่สี่แบบด้ว่ยกันเรียกว่าแบบแรกเรียกว่าโสดาบันพระแบบแรกเหมือนบ้านบ้านแบบแรกเวลาเราไปดูบ้านจัดสรรนี่เขามีแบบแบ่งบ้านเนหลายแบบบ้านแล้วก็ตั้งชื่อต่างๆบ้านมลกตบ้านทองคำบ้านหินหยกอะไรต่างๆหินอ่อนเป็นการ เป็นการาวาดภาพให้เห็นว่าถ้าต้องการบ้านแบบไหนเขาก็จะสร้างให้พระพุทธเจ้าก็มีบ้านมีพระขายเหมือนกันหรือมีพระมีแบบแบบบ้านแบบสร้างพระแบบแบบที่จเจ้าไปสร้างพระนี้มาแจาก พระเจ้าท่านไม่ท่านไม่หวังเงินน้องหวังทองท่านไม่ได้ทำไม่มีอาชีพหาเงินหาทองเพระว่ท่เจ้าท่านสิ่งแรกที่ท่านต้องการก็คือท่านทําใจของท่านให้เป็นพระก่อนตอนต้นท่านใจของท่านก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นปุถุชนมีความรักช่างกลัวหลงมีความโลภมีความโกรธ ม, ม, มีความหลง ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญยังติดอยู่กับยังติดกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆแต่วันหนึ่งไปเห็นอนาคตของร่างกายของท่านาร่างกายของท่านนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วลาบยศสรรเสริญ สุขที่ท่านหามาได้หรือมีอยู่ในขณะนี้ก็จะหมดสภาพไปไม่มีความหมายไปเมื่อร่างกายท่านแก่ก็หาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายหมดหมดสิทธิ์ก็เลยทําให้ท่านหวาดตัวหวาดตัวต่อความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็อยากจะหาอะไรมาแทน ความสุขแบบที่ท่านจะต้องสูญเสียไปเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายก็ได้ไปเห็นพวกนักบวชเขาบอกให้มาสร้างมาสร้างพระกันมาสร้างความสุขมาสร้างใจให้เป็นพระทำใจให้เป็นพระแล้วใจที่เป็นพระนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งพระอง์ก็เลย สเสด็จออกจากพระราชวังสะละราชสมบัติเพราะราชสมบัตินั้นเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสะละอยู่ดีเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็หาผลประโยชน์อะไรหาความสุขจากมันไม่ได้แล้วก็เลยไปหวังพึ่งน้ำบ่อน้าดีกว่าคือความสุขด้วยการสร้างพระ สร้างใจให้เป็นพระขึ้นมาเพราะว่าถ้าใจได้เป็นพระแล้วใจจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันเส้นสุดเพราะใจเป็นของที่ไม่ตายเหมือนร่างกายร่างกายนี้มันในที่สุดก็ต้องจบจะรวยขนาดไหนใจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องจบ พอจบแล้วความสุขที่ได้จากความรวยความใหญ่โตนั้นมันก็หมดไปนะเท่ากันคนรวยคนจนคนใหญ่คนไม่ใหญ่มาเท่ากันที่ตอนตายนี่แหลนะเวลาตายนี่เท่ากันหมดศูนย์ได้ศูญย์เสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มากมีน้อยหากันแทบเป็นแทบตายพอถึงจุดจบ มันก็เท่ากันหมดคนรวยก็ศูนย์คนจนก็ศูนย์ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้มามือเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวแต่ถ้ามา <c oughs> สร้างพระในใจมาสร้างใจให้เป็นพระ พอใจเป็นพระนี่ผู้ที่ไปก็คือใจนี่ผู้ที่มาเกิดก็คือใจมาเกิดมามีร่างกายใจนี้มามาครอบครองร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้แล้วพอร่างกายที่พ่อแม่สร้างให้มันตายไปใจก็ใจก็ไปต่อใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปต่อ จะไปแบบไหนก็อยู่กับการกระทำบุญหรือกระทำบาปหรือการสร้างพระหรือไม่สร้างพระเท่านั้นเองทำบาปก็ไปไปอบายจบจากอบายก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใม่ถ้าไปถ้าทำบุญบุญก็พาไปสวรรค์ จบจากสวรรค์ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าชำระความโลภความโกรธความโหยงได้ทำใจให้สาอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไปนิพพานแล้วก็ไม่กลับมานิพพานนี้เป็นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่ให้ความพอไม่ไม่ต้องมีมาเติมอะไรอยู่ ส่วนสวรรค์ชั้นต่างๆมันยังให้ความอิ่มความพอไม่สักไม่ไม่ไม่ถาวรมันทำพอวันหมดมันก็ทำให้หิวให้อยากก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่ออ น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบได้ศึกษาได้เรียนรู้สมัยที่ใจของพระุทธเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ ยังเป็นุู้ชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เพียงแต่ว่าเป็นใจที่มีบุญบา ร, รมีติดตัวมาด้วยในในอดีตชาติให้ความสำคัญเชื่อในเรื่องบุญบา ร, รมีสะสมบุญบา ร, รมีต่างๆมาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมา กะสะสมบารมีเช่นเปิตาบารมีบ้างทานบารมีบ้างศีลบารมีบ้างเนคขมบารมีบ้างอุเบกขาบารมีบ้างปัญญาบารมีบ้างบารมีเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่มาสนับสนุนเจ้าชายสิทธัตถะในขณะที่ออกบวชเนี่ย เพื่อที่จะไปสร้างพระขึ้นมาสร้างใจให้เป็นพระขึ้นมาซึ่งพระองค์ก็ใช้เวลาเพียงหกปีในการศึกษาในการปฏิบัติส่วนส่วนหนึ่งก็อาศัยจากการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่มีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างพระอริยเจ้ารู้จักวิธีสร้างพระพรมกันแต่ไม่รู้จักวิธีสร้างพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่ได้ค้นพบวิธีสร้างพระอริยเจ้าขึ้นมาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหานต์เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเองส่วน ครูบาอาจารย์รูปอือนที่สอนให้เข้าฌานให้นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นฌานระดับต่างๆเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌปานเนเหล่านี้เป็นเป็นการสร้างพระคมพระพรมก็เป็นพระชั่วคราวเออเช่นเวลาได้ฌานมาได้รูปฌปานหรือได้อรูปฌปาน เวลาตายไปใจก็ไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นรูปประพรมอรูปประพรมแต่มันก็เสื่อมได้หมดได้พอเสื่อมหมดก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างมาสร้างพระพรหมใหม่แต่สำหรับพระโซพระอริยเจ้านี้ถ้าได้แล้วจะกลับมาเฉพาะบางขั้น แล้วก็กลับมาไม่กี่ครั้งเช่นถ้าไดข้ขั้นที่หนึ่งได้ได้สร้างพระอาริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือขั้นสโสดาบันนี่ก็ตายไปก็ยังจะกลับมาเป็นมนุษย์ต้องมาทำต่อยานยังไม่เสร็จแต่จะเสร็จไม่เกินภายในเจ็ดเจ็ดชาติเจ็ดครั้ง จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะสามารถที่จะทํางานสร้างภาพอริยะเจ้าให้สมบูรณ์ได้ถ้าได้ขั้นที่สองได้ขั้นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองมาสร้างมาทำงานที่ยังคั่งค้างอยู่มาสร้างพระอริยะเจ้าให้สมบูรณ์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียว ม่วนถ้าได้ขั้นที่สามนี่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กแล้วแต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมเราไปทำงานที่ข้างค้างอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้คือพระอนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบไม่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เดต่อไปแต่ยังไปเกิดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพอยู่ ล้าก็จะไปทำงานช่วยเหลือสร้างพระให้สมบูรณ์สร้างสร้างจากพระอนาคามีให้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพ อ, อได้สร้างเป็นได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วถือว่างานสร้างพระสำเร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดในสังสารวาัฏอีกต่อไป <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาับ เกิดเป็นพรมแล้วก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงเมื่อได้สร้างพระได้สมบูรณ์สร้างพระอริยได้สมบูรณ์เมื่อได้สร้างพา ร, ร, งพอระร อ, รพอรหันต์ขึ้นมาเมื่อได้เป็นพระอรหันต์แล้วจิตก็จะอยู่ที่นิพพานนิพพานก็คือที่ที่อยู่นอก สังสารวัฏนั่นเองเหมือนคุกกับนอกคุกอย่างนี้คนที่ติดคุกก็ต้องอยู่ในคุกเ อ, อกมานอกคุกไม่ได้ส่วนคนที่อยู่นอกคุกนี้ก็ไม่ติดคุกจะไปไหนมาไหนก็ได้นิพพานก็เหมือนสถานที่นอกคุกนอกสังสารวัฏนี่นิพพานก็เป็นสถานที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีทั้งนั้น สิ่งที่ให้แต่ความสุขสุขใจสบายใจอิ่มหนําสํารามใจเป็นที่ที่ไม่มีทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่เป็นที่ที่ศูนย์ที่ทําให้ใครไปถึงนิพพานแล้วสูญหายไปไม่ใช่เป็นอีกแดนหนึ่งเหมือนโลกนอกคุกกับโลกในคุกคนที่ออกจากคุกมาแล้วพอออกจากมาอยู่ในโลกนอกคุกแล้วหายไปหรือเปล่า ก็ไม่หายคนที่ออกจากคุกมาก็เขาก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะนอกคุกมันก็มีที่เที่ยวที่นู่นที่นี่ที่อะไรอันนี้ก็เหมือนกันนอกสังสารวัตนอกตายพบก็มีคือนิพพานนิพพานก็คือที่มันเหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวมีแต่ที่ท่องเที่ยวมีแต่ที่ดีๆมีแต่ที่ปลอดภัยมีแต่ที่ให้แต่ความสุขทาสำรานใจ ไม่มีอันตรายไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นนิพานนี้ไม่ต้องมีตํารวจไม่ต้องมีไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีอะไรคนละโลกกับสังสารวัฏเนี่สังสารวัฏหรือตายพวกนี้เป็นโลก <c oughs> ที่พวกเราอยู่กันในขณะนี้พวกเรากําลังอยู่ในคุกตารางกันแต่เราไม่รู้กัน พราเราคิดว่าเรายัางทำนูน่นทำนี่ได้ไปนูน่นไปนี่ได้ใช่แต่มันก็ทำแบบคนที่อยู่ในคุกคนอยู่ในคุกก็ทำนูน่นทำนี่ได้แต่ถ้าให้เลือกระหว่างอยู่ในคุกกับ เ, เอาอยู่นอกคุกคจะเลือกเอาอะไรดีก็อยู่นอกคุกดีกว่าคนที่เลือกนอกคุกเพราะอะไรเขาเคยเขาเคาอยู่นอกคุกมาก่อนเขาถึงรู้ว่าเวลาอยู่ในคุกกับนอกคุกมันต่างกันอย่างไร แต่พวกที่อยู่ในคุกตารางของสังสารวัตนี้ไม่เคยออกนอกคุกมาเลยก็เลยไม่รู้ว่านอกคุกนี้มันดีอย่างไรแต่มันก็ดีแบบเดียวกับที่เล่าให้ฟังนี่แหละเหมือนกับโลกที่อยู่นอกคุกกับโลกที่อยู่ในคุกโลกอยู่ที่นอกคุกนี้มันทําอะไรได้เต็มที่เต็มร้อยอยากจะกินอยากจะเดือดอยากไปไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เวลาใดทําได้หมดทุกอย่างแต่โลกอยู่ในคุกนี้มันมีข้อจํากัด ทำบัตรบางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทําไม่ได้นี่ก็คือนิพพานที่อยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสร้างพระเสร็จแล้วก็เอาพระนี่ไปตั้งไว้ที่พระนิพพานอพระนิพพานนี้ก็เป็นที่ที่เอที่อยู่นอกคุกถ้าเปรียบเทียบได้ท่านนี้แหละว่ามันมั น, มนเป็นที่มันดีกว่าในคุก ในคุกนี่ไม่มีใครอยากจะอยู่กันติดคุกก็อยากจะออกจากคุกกันขอประกันกันยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางเัน <c oughs> ให้คิดถึงนิพพานว่าเป็นแบบที่ที่มีอิสระภาพร้อยเต็มร้อยก็แล้วกันอิสระภาพที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาในทุกรูปแบบที่ต้องการดังนั้นไม่ต้องกลัวนะว่า พอเป็นผ้า อ, อาหารแล้วจะหายไปเพราะเพราะคำว่านิพานศูนยไปเจอคำพูดที่คนไม่เข้าใจคำว่านิพานศูนย์ก็คือนิพานเป็นที่ที่ไม่ศูญจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์หรือนิพานนี้ไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่โรงพยาบาลก็มีห้องปลอดเชือ้อ ถ้าเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วไม่มีเชื้อโรคไม่ติดเชื้อโรคอันนี้ก็เหมือนกันนิพพานก็เหมือนห้องปลอดทุกข์ไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องซึมเศร้าอาการต่างๆที่เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแก่ใจของผู้ที่อยู่ในนิพพาน นนี่คือพระที่พรุทธเจ้าทรงสร้างและทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงสร้างใจของท่านก่อนจะสร้างใจของท่านจากปุถุชนให้กลายเป็นพระอารหรันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าพอาใจท่านเป็นพระอารหันต์แล้วท่านก็มาสอนใจของผู้อื่นต่อไป เบื้องต้นก็ไปสอนพวกที่ฉลาดพวกที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายพูดคำสองคำก็เข้าใจก็ไปสอนพวกที่ฉลาดสอนเพียงครั้งสองครั้งหรือบางทีครั้งเดียวก็เขาก็สามารถทำใจของเขาให้กลายเป็นพระขึ้นมาได้บางทีไปสแสดงธรรมที่สำนักของนักบวชห้าร้อยรูปหรือพันหนึ่งก็ไม่ทราบ อแสดงให้เขาฟังเสร็จปั๊บคนที่ฟังทั้งห้าร้อหรือพันรูปนี้กลายเป็นผ้าอาหาันขึ้นมาหมดเลยเพราะเขามีเครื่องมือที่จะสร้างผ้าแล้วเครื่องมือที่ต้องสร้างพระก็คือศีลคือการไม่กระทำบาปแล้วก็ต้องมีการทำราใจให้ภาวนาการภาวนาคือสมาธิ ทำใจให้ส ง, งบเรียกว่าสมถะภาวนาเขามีกันอยู่แล้วพวกนักบวชสมัยนั้นที่เขาบวชกันเขาเอาไปบวชเพื่อรักษาศีลเพื่อไปนั่งสมาธิเพื่อหาทําทำใจให้มีความสุขแล้วก็อาศัยความสุขของใจนี้แทนหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญแทนหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขทางลูกความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกาย เพราะเขาเห็นว่าความสุขจากลาบยศรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนั้นนี้มันเป็นของชั่วคราวพอร่างกายหมดสภาพก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่ใจนี้ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายถ้าใจมีความสุขจากสมาธิได้ใจก็จะมีความสุขต่อไปได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าสมาธิได้ ร่างกายจะพิกลพิการก็เข้าสมาธิได้ร่างกายจะตายก็เข้าสมาธิได้กจยังสามารถมีความสุขได้เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถหาความสุขที่ที่ฐาวงังที่สมบูรณ์ความสุขแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิความสุขที่เกิดจากปัญญา อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าปัญญานี้คืออะไรอะไรคือปัญญาอะไรที่จะทำให้ใจนี้สุสขตลอดเวลาไม่สุขแต่เฉพาะเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นแต่ขณะที่ออกจากสมาธิมาใจก็ยังมีความสุขได้ปัญญาที่ที่พระเจ้าทรงคนทบนี้ก็คือปัญญาที่ เห็นว all ่าอะไรที่ทําให้ใจทุกข์แล้วเห็นว่าอะไรที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ที่เราเรียกว่าอริยสัจสีทุกข์สมุทัยนิโรธมากสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจอมักเป็นต้นเหตุของนิโรธของการดับทุกข์ใจของความของความดับทุกข์นั้นวิธีที่จะทําให้ใจสุขตลอดเวลาไม่ทุกข์ตลอดเวลา ก็คือต้องต้องหยุดสมุทัยให้ได้สมุทัยก็คือความอยากที่เกิดจากความหลงนั่นเองความอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหรือแม้แต่ความอยากหาความสุขจากสมาธิก็เป็นความความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ขออภัยด้วย หายจากไข้ยังไม่สนิทยังมีเสมหะอะไรชอบค้างค้างอยู่ในคอยอยู่ต้องพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นว่าอะไรที่ทําให้ใจไม่สุขในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิก็คือความอยากความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากชานจากรูปฌานจากรูปฌาน และการที่จะหยุดความอยากได้ต้องเห็นว่าลาบนะลาบยศสารเสริญสุขืหรือรู ป, ปรชาณานะรู ป, ปรชาณ์นี้มันไม่เที่ยง ม, มันเป็นของที่ไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้ตลอดเวลาไม่สามารถให้ความสุขเราได้ตลอดเวลาเพราะมันพลิกไปพลิกมามคือมรรคนี้ก็คือปัญญา นักคือผู้ที่จะเห็นความจริงของลาบยศสรรเสริญสุขของรูปฌปานของอรูปฌานว่ามันเป็นของไม่แน่นอนอันนี้จังไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ให้ความสุขบางทีก็ไม่ได้ให้ความสุขพอมันไม่ให้ความสุขมันก็เลยทุกข์ เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับลาบยศสรรเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้แล้วก็เสียไปก็มี <c oughs> น, นี่คือปัญญาหรือเห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ความหลงหลอกให้จิตยังไปเกิดความอยากมาสร้างสมุทยัย สร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่พอศึกษาด้วยปัญญาคนพบว่าสภาวธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นราคยศรเสรินไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่มันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นดินเหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปสั่งดินฟ้าอากาศได้ฉันใด ก็ไม่มีใครไปสั่งว่าลาบยศสเสรญสุขไปสั่งรูปประชาณาลูปประชานได้ตลอดเวลาเวลาบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์อยากให้ใจมีความสุขก็คือหยุดความอยากเหล่านี้เสียด้วยการแก้กความหลงด้วยการสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อย ว่าลาบยศสรรเสริญสุขว่ารูปประชานะรูปประชานี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าไม่อยากจะต้องเกิดความทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมันแล้วถ้าเราไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบใจเราก็จะมีความสุขเหมือนตอนเข้าสมาธิได้แต่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ อันนี้แหละคือปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งคนพบนามาสอนพวกที่อยากจะสร้างพระให้สร้างพระด้วยการตัดความอยากต่างๆตัดความอยากในลาบยศสรเสริญสุขตัดความอยากในรูปประชานรูปประชาญพอตัดได้แล้วความอยากเขาหายไปหมดแล้วตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้กับใจก็หายไป ตัวที่สร้างความวุ่นวายใจหายไปใจก็ตั้งอยู่ในความสงบโดยอัตโนมัติทีนี้แล้วก็จะเป็นความสงบแบบถาวรเพราะไม่มีอะไรมาทำให้มันไม่สงบอีกต่อไปอันนี้แหละเรียกว่านิพานนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงสร้างผ้าของสร้างใจของพระพุทธเจ้าให้เป็นผ้าขึ้นมาก่อน ตอนต้นใจของพระเจ้าก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรานี้ยังติดอยู่ในรากยศสรรเสริญยังติดอยู่ในความสุขของรู ป, ประชาญของอรู ป, ปรชาญอยู่ <c oughs> จึงทำให้ใจยังแก่งไปแก่งมาบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์เวลาได้เสพรากยศสรรเสริญสุขก็สุขกันเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์กัน เวลาต้องพัดภาคจากลาบยศสารเสริญสุขก็ก็ทุกกันเช mm hmm. ่นเดียวกับเวลาได้เศษรูก ป, ประชานะรูก ป, ประชานก็สุขเวลาไม่ได้เศษก็ทุกข์ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็คิดค้นหาวิธีว่าจะทําไงนาะจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ขายพวกนี้ mm hmm. ก็ไปนค้นพบว่าเหตุที่ทําให้ทุกข์ก็เพราะประยากได้เขาเอง <c oughs> ถ้าไม่ไปอยากได้เขาไม่ไปอาศัยเขามาให้ความสุขเราก็ <c oughs> จะไม่ทุกข์กับเขาแต่ยังเราจะทําไงที่จะทําให้ไม่อยากก็ <c oughs> ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเอง <c oughs> ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันอนิจจังไม่แน่นอนเราสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาให <c oughs> ้เห็นแค่สามตัวนี้นั่นเองนี่คือตัวปัญญา ที่จะทำให้ละสมุทยัยคือความอยากได้ความอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นลสความสุขจากรูปประชานความสุขจากอารูปประชานี้เราต้องเห็นใจลักในลาบยศสรรเสริญสุดเห็นใจลักในรูปประชานในอรูปประชาน <c oughs> ถ้าเห็นได้เราก็หยุด <c oughs> หยุดความอยากได้ เราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็ไม่มีความสงบใจก็เป็นสิ่งที่กลับคืนมาเหมือนกับความเงียบกับความอึกทึกคึกโคมเนี่ยถ้าไม่มีเสียงอระทึกคึกโคมอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่ความเงียบแต่พอมีเสียงอระทึกคึกโคมเกิดขึ้นมาความเงียบก็หายไปฉันใดความสงบกับความทุกข์ก็แบบเดียวกัน ถ้าใจไม่สงบใจก็ทุกข์เนี่ยถ้าใจทุกข์ใจก็จะไม่สงบถ้าใจไม่ทุกข์ถ้าใจไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจไม่อยากใจก็จะสงบใจที่สงบก็คือใจก็คือความสุขความสุขความสงบนี่แหละเป็นผู้ผลิตความสุขใจขึ้นมา เมื่อมีความสงบแล้วมีความสุขใจแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากที่ไหนต่อไปที่พวกเราวิ่งกันทุกวนันนี้วิ่งไปหาอะไรหาความสุขกันแล่ความสุขที่เราไปหามันเป็นของไม่แน่นอนะเราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสปฐพะบางท่านก็ไปหารูปประชานบางท่านก็ไปหาลูปประชานกัน แต่มันก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ครึบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียพอมันเสียก็ทุกข์แต่ไม่หยุดไม่หยุดหาเสียไปแล้วก็หาใหม่ ยอมทุกข์ใหม่ยอมเหนื่อยใหม่หามาไม่รู้กี่ล้านรอบแนละ้วหาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> หาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจอความอิ่มความพอหรอก <c oughs> ความอิ่มความพอเกิดจากการหยุดหา <c oughs> หยุดอยากถ้หยุดอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราหาเป็นเป็นทุกข์ท <c oughs> ุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่อนอนได้มาแล้วเวลามันหายไปมันหมดไปก็ทุกข์ อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ <Yeah. S 1> เวลาได้มาแล้วต้องดูแลรักษามันก็ทุกข์อีก <Yeah. S 1> นี่แต่ความทุกข์ทั้งสามระยะเลยลตั้งแต่เริ่มต้นพออยากได้ก็ทุกข์ละกินไม่ได้นอนไม่หลับลน่ะถามพวกที่อยากได้สสอกันเนี่ยตอนนี้นอนหลับไหมเนี่ยยิ่งคืนคนวันอาทิตย์ที่รับประกันได้ตื่นเงทั้งคืนเนี่ยเหมือนเข้าดาเข้าดาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนี แต่พวกที่ไม่ได้อยากเป็นสอสอนี่นอนหลับครอกสบายสบายใช่หมเพอไม่ได้ไปหวังอะไรไม่ได้ไอยากได้อะไรเนี่ยพอจะเกิดความอยากยังไม่ทันได้เลยก็ทุกข์แล้ว ช, ช่วงนี้ก็ทุกข์กับการที่จะไปแสวงหาสิ่งที่อยากได้กันไปหาสงหาเสียงกัน <c oughs> ปากเปียกปากฉีกกัน ความอยากนี่ยพอเริ่มเริ่มมีความอยากมันก็สร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้กับใจแล้วใจต้องดิ้นนะใจอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะเริ่มเกิดอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจนกว่าจะได้มา <Yeah. S 2> พอได้มาก็ใจก็สงบชั่วคราวตอนนั้นก็ฉลองชัยชนะดีออกดีใจกันไป yeah. พอได้มาแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูแลมันแล้วสิต้องมารักษามันนะสิ่งที่ได้มาก็กลัวจะมันมันจะหายไปกลัวมันจะหมดอิก็ต้องมาทุกขกับการดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วดูแลดียังไงไม่ช้าก็เร็วมันดีคืนดีมันก็หายไปจนได้มันก็หมดได้พอเวลามันหมดมันก็ทุกข์อีกนี่คือความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้กัน มันมาสร้างความไม่สงบให้กับใจของเราเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราถึงจะหยุดมันได้แต่ใจของเรามันไม่เคยเห็นใจของเราไม่เคยสงบมันเราไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบมันเป็นยังไงมันก็เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอยู่เฉยๆไม่อยากได้แล้วแล้วมีความสุขได้ไง เพราะฉันอยู่เฉยๆแล้วม well, ันอยู Son ่ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันต้องเดินให้อยู่เฉยๆอยู่บ้านเนี๋ยก็หงุดหงิดลำคาญใจอย่างไร้บ้านจะเป็นบ้านราคาร้อยล้านพันล้านก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจเพราะมันอยากมันไม่มันไม่สงบแต่คนที่สงบนี่ให้อยู่ในคุกก็อยู่ได้คนที่ใจที่สงบติดคุกเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่อยากไปไหนอยู่แล้ว อยู่ในคุกเขากล่ว่าดีสิมีลอประพอฟรีมีข้าวฟรีบ้านฟรี <Yeah. S 1> น้ำไฟฟรีไม่ต้องจ่ายอะไรเลย <Yeah. S 1> ส่วนใจเขาสงบใจเ้าเข้าสมาธิเข้าฌานรือถ้าใจเขาเป็นนิพพานเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็อยู่ก่ามันไปร่างกายก็อยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันถ้าใจสงบใจมีความสุขแล้ว สถานที่ไม่มีความสำคัญอะไรถ้าใจไม่สงบนี่ใจไม่มีความสุขนี่ต่อให้อยู่พระราชวังอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้วันสองวันมันก็ต้องออกข้างนอกแล้วถ้าถ้าพระราชวังมันดีจริงมันก็ต้องอยู่ได้สิถ้ามันมีความสุขเต็มที่เต็มร้อยนี่จะไปไหนที่ไหนจะดีกับพระราชวัง ทุกคนก็อยากจะอยู่ในวังกันทั้งนั้นแต่ลองไปอยู่เข้าจริงๆแล้วอยู่ไม่กี่วันก็เบื่อมันก็เป็นแค่บ้านนั่นเองเพียงแต่เราสมมุติตั้งชื่อมันว่าเป็นพระราชวังขึ้นมาแล้วเราก็ไปประดับประดาบ้านให้มันดูสวยงามดูมิจิฉพิสดารประดับประดาด้วยศิลปะหัตถกรรมต่างๆประดับประดาด้วยของมีค่าต่างๆท้านั้นเอง แต่มันไม่ทําให้ใจเราสงบได้หรอมันไม่สามารถทาให้ใจเรามีความสุขได้โดยลาพังของมันเองนี่คือความไม่สงบของใจพูดเปรียบเทียมให้ฟังว่าว่าเวลาใจเราถ้าใจเราไม่มีความอยากแล้วมันสงบมันเป็นยังไงแต่พวกเราไม่เคยสงบมันเลไรไม่รู้ ว่าเวลาใจเราไม่มีความอยากแล้วมันสงบมั น, ม, นมันมีความสุขอย่างไงมันไม่รู้กันยิงเบื้องต้นต้องมาลองหาความสงบชั่วคราวก่อนก็คือความสงบจากสมาธิก่อน <Yeah. S 1> เบื้องต้นก็เลยต้องให้เปลี่ยนวิธีก่อนเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกินรถให้มาหาความสุขแบบ ความสงบของใจถึงแม้จะเป็นความสงบแบบชั่วคราวก็ก็เป็นหนังตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของความสงบว่ามันดีอย่างไร yeah. Yeah. พวกที่ต้องการจะสร้างภาคกันเ <Yeah. S 2> บื้องต้นจึงจำเป็นที่จะต้องมาทำใจให้สงบให้ได้ก่อนพวกที่ต้องการที่จะละความอยากหยุดความอยากให้ได้นี้จำเป็นจะที่จะต้องมาสร้างความสงบ ผ่านทางสมาธิให้ได้ก่อนมาฝึกสติมาคอยควบคุมความคิดกันหยุดความคิดเพราะความคิดนี่มันเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบแล้วมันไม่หยุดความคิดมันเป็นมันติดมันเป็นนิสัยมันคิดมาตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้มันก็ไม่เคยหยุดคิดเลยมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆคิดไปยจนถึงเวลาหลับบางทีเวลาจะหลับก็ยังไม่ยอมหลับเพราะมันไม่ยอมหยุดคิด เวลาหลับมันก็มันก็ไปคิดต่อในเวลาที่มันหลับคิดเป็นเรื่องฝันขึ้นมาเรื่องฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้มันก็เป็นความคิดทั้งนั้นแหละ <ouais. S 2> เราก็เลยไม่เคยเห็นความสุขที่ได้จากความสงบว่าเป็นอย่างไร <ouais. S 2> ความสงบที่ไม่มีความอยากเป็นอย่างไรความสงบที่เกิดจากการไม่มีความอยากเป็นอย่างไรเราไม่เห็น เราก็เลต้องมาฝึกสมาธิกันฝึกสติมอคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดก็มีหลายวิธีวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆก็คือให้พุโทโธไปให้คิดคาว่าพุโทโธคำเดียวพอพักคิดพุโทโธมันไม่มันมันทำไทำให้เรื่องมันยาวถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็มันก็ไม่มีเรื่องมาต่อแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเอง เรียนลองใช้พุทโธดูขยันพุทโธลองตั้งใจพุทโธจริงๆสักห้านาทีสิบนาทีให้มันต่อเนื่องกันสักครั้งดูเลยเราอยากให้มันคิดอะไรให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวห้านาทีสิบนาทีมันจะเห็นความแตกต่างทันทีเลยมันจะเห็นว่าใจเริ่มเบาขึ้นความคิดต่างๆมันน้อยลงไปเบาลงไปเวลาความคิดน้อยลงใจเบาเย็นขึ้นสบายขึ้นสุขขึ้น แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆได้แล้วพุโทโธได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรได้นี่เดี๋ยวมันก็หยุดนิ่งได้เองความคิดก็จะหยุดนิ่งไปพอความคิดหยุดนิ่งพุโทโธก็หยุดไปโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะได้เห็นความสงบของใจว่าเป็นยังไงเราจะได้เห็นว่าความสุขของใจที่เกิดจากความสงบเป็นยังไงแต่แม้ว่าจะเป็นความสุขของสมาธิก็ตามแต่มันก็จะเป็นหนังตัวอย่างเป็น ผิตพันตัวอย่างให้เราได้ได้เปรียบเทียบว่าต่อไปเวลาที่เราเลิกความอยากได้เลิกความอยากแม้กระทั่งเม่อยากเข้าสมาธิก็เลิกได้มันยิ่งจะทำให้ใจเหล่านี้สงบตลอดเวลาเลยแล้วเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่กิดจากความสงบแม้แตเ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองพ อ, อได้เพียงครั้งเดียวแม้แต่เพียงช่วงมูแลบลิ้นก็ตาม เนือเพลงแค่ชั่วฟ้าลับรของมันนี่มันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากต่อศรัทธาต่อความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในรสแห่งธรรมอันเลิศอันประเสริฐของความสงบนี้มันจะทำให้เราไม่อยากที่จะกลับไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพอีกต่อไป เราจะมุ่งไปหาความสุขจากลาบยศมุ่งหาความสุขจากสมาธิไปก่อนฝึกให้เข้าสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นจนสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มมาสอนใจให้มีปัญญาเพราะว่าในขณะที่เราออกจากสมาธิมานี่ความอยากต่างๆมันยังไม่ได้ตายจากสมาธิ สมาธิเป็นเพียงกฎมันไว้เวลาเข้าสมาธิความอยากได้ลาบยศเสริญความอยากได้อะไรต่างๆนี้มันจะหยุดไปชั่วคราวแต่พอออากจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็อยากาเพราะว่ามันมันไม่มีความสุขเวลาออกจากสมาธิมาใจมันเริ่มคิดพอใจมันเริ่มคิดมันก็เริ่มอยากขึ้นมาทันทีพอเริ่มอยากมันก็เริ่มอยากจะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับมัน เคยได้ความสุขจากแบบไหนก็ไปหาความสุขแบบนั้นบางคนออกจากสมาธิมาเข้าไปเปิดตู้เย็นนะหาอะไรมากินหาอะไรมาดืม่มเคยสุขกับอะไรก็กลับไปหามันบางคนก็ไปเปิดมือถือดูก่อนเลยนั่งสมาธิเสร็จออกจากสมาธิมาสิ่งแรกเอาแล้วเสร็จต้องดูแล้วว่าใครโทรเข้ามาหรือเปล่าใครส่งเงินมาให้หรือเปล่ามันมันยังติดความสุขแบบนี้อยู่ เราต้องใช้ปัญญาคอยสกัดมันอย่าไปหาความสุขเหล่านี้เลยมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวมันเราเป็นของเราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันมาตลอดเวลาไม่ได้เวลามันจะไม่มามันก็ไม่มาหรือสั่งให้มันอยู่กับเราตลอดก็สั่งไม่ได้เวลามันจะไปมันก็ไปให้คิดแบบนี้แล้วต่อไปพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะได้หยุดมัน หยุดความอยากไปเรื่อยๆใจก็จะความความไม่สงบก็จะหายไปความสงบก็กลับมาความเย็นใจความสบายใจก็จะมานี่คือขั้นปัญญาขั้นสร้างภาพที่แท้จริงต้องสร้างด้วยปัญญาขั้นสมาธินี่เป็นการสร้างภาพผมถ้าสร้างขั้นพระโสดาสกิดาคาอนาคามีอนาอัลลหานี ต้องหยุดความอยากในสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนะแต่ร่างกายก็ต้องหยุดอยากอยาาก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันยาเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้จะให้มันสุขตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงของไม่แน่นอนตัดมันไปนหมดยาก อยากให้มีอยากให้ใจมีอารมณ์ดีทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้บางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เสียแล้วแต่อะไรมาสัมผัส<ม>ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นตายรัก<ม>อย่าไปอยากให้ใจมันไม่วุ่นวายไม่สงบมันบางทีก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบให้รู้ทันมันแล้วก็อย่าไปอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับมัน เวลาที่มันสงบหรือไม่สงบเวลามันวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายใจเราก็จะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจเราก็จะสงบ น, นี่คือการสร้างพระที่พุะเจ้าทรงสอนทรงสร้างด้วยตนเองแล้วนามาสอนเนี่ยยุคแรกๆนี่สร้างพระหลานหนึ่งันรรูปขึ้นมามารวมตัวกันในวันมาคาบูชาเนี่ยเราก็สร้างมาต้องสี่สห้าปี ไม่ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปแม้แต่รูปเดียวในสมัยพระพุทธการแต่หลังจากพระพุทธการนี้ไม่รู้พระพุทธรูปโผล่กันมาเยอะแยะไปหมดมันดอกเห็ดขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้เพราะขี้เกียจไปสร้างพระในใจกันว่ามันยากหล่อผ้ามันง่ายกว่าซื้อวัตถุข้าวของมาแล้วก็มามาเผามาหลอมมาหลอกกันก็ได้พระมากราบไหว้บูชากันนะ แต่เป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้พระพุทธโลกดับความทุกข์ใจไม่ได้ต้องพระแท้พระในใจเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์ใจได้ดังนั้นนี่คือเรื่องของการสร้างพระสองชนิดในพระพุทธศาสนาสร้างพระพระแท้กับพระเกอพระทองต้องสร้างพระแท้ตามที่แบบพระพเจ้าทรงสร้างมาอย่ามาสร้างตามแบบที่ คนสมัยนี้มาสร้างกันคือมาสร้างของพุทธลูกกันเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันพระนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา้วขออนุโมทนาให้พ่อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสัง a ปะจันโทปนังรัศยาธาเมณิโชติรัศอยาธาสัพพิโยวิวัจจันโุสัพโรโคนิสตุ มาเตภาวตวันตรายุสุขีติขายุโกภาวะอภิวัตัญสิลินิจังุายายะะทาปจายโนยัตารุธรมวัฏันติอายุวันโอสุขภงาลาังำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถา ม, ถาม ใช้คาถามมีคําถามอะไรอยากจะถามอะไรก็เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดถามถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วก็ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางมือถือทาง facebook ทาง youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตาม ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ Live 540 YouTube พระสุชาติ Live 290 YouTube Dr. V Channel 86วิทยุออนไลน์9ค l ับ h o u s e 9ผู้รับฟังธรรมะนากุติ82คนรวมทั้งหมด1016ครับมีคําถามอะไรมั้ยมีครับ คำถามจากทางเฟ e b o o k คุณศิล์เคยได้ฟังคำสอนว่านิพพานคือการดับศูน์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีความยินดีและร้ายก็เลยสับสนครับว่านิพพานคือสถานที่แห่งหนึ่งหรือการดับศูนย์หายไปครับต้องปฏิบัติถึงจะรู้อ่านไปพอให้รู้คร่าวๆเป็นเป็นให้ทราบภาพรวมๆว่าเป็นยังไง แต่จะเป็นอะไรจริงๆนี้ต้องไปปฏิบัติต้องไปเห็นเองเห mm hmm. มือนอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็บอกที่นู้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ mm hmm. เราก็คิดไปนึกภาพไปแต่เวลาไปจริงๆแล้วมันถึงจะเห็นของจริงว่าเป็นยังไงฉะนั mm ้น hmm. อย่ามาพูดในเรื่องที่เรายังไม่เห็นกันดีกว่าพูดไปแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆ mm hmm. คาถามต่อไปจากคุณทิติชยาน หนูเป็นพยาบาลทำงานหลายแผนกและหลายโรงพยาบาลในปัจจุบันตอนนี้ยังไม่แก่เลยเจ้าค่ะผ่าตัดตั้งแต่เท้าถึงสมองเหลือแต่มดลูกพอดีมดลูกและฮอร์โมนมีปัญหารอบนี้ไม่ไปให้หมอแล้วปล่อยร่างกายเลยเจ้าค่ะถ้าถึงเวลาตายก็คืนให้ธรรมชาติชีวิตหนูอะไรที่ อยากจะไม่ได้อะไรที่ไม่อยากจะได้หนูคิดว่าควรซ้อมตายทุกคืนอันนี้คิดถูกไหมเช้าคะถูกก็ล่ะถ้าหนูมีความสุขไม่ทุกข์กับมึนก็ถือว่าใช้ได้แล้วอนะคําถามต่อไปจากคุณพกามาศถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้รักไม่ได้ผูกพันกับแม่ผู้ให้กําเนิดเรื่องราวในชีวิต ที่เกิดขึ้นมามากมายผ่านวันเดือนปีซึ่งไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ภายในไม่กี่นาทีถ้าเราต้องดูแลท่านเพียงเพราะต้องการทําหน้าที่ของลูกให้ดีเพื่อชดใช้กรรมที่มีต่อกันให้เบาบางลงถ้าคิดแบบนี้แล้วเราจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะกรรมที่มีต่อกันจะเบาบางลงได้หรือไม่คะและต้องฝึกจิตแบบไหนเพื่อไม่ให้ความรู้สึกแบบนี้กลับมาอีก ไม่รู้เหมือนกันนะจิตแต่และคนคิดยังไงนี่ไม่รู้จะสามารถไปสอนไปแก้ยังไงก็ให้ดูตัวอย่างที่ดีพระพุทธเจ้าถึงแม่แม่ไม่ได้เลี้ยงมาคลอดลูกคลอดออกมากเจ็ดวันตายไปท่านยังห่วงยังคิดถึงพระตัสสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไปสอนธรรมะให้กับแม่ที่อยู่ในสวรรค์ต้องดูตัวอย่างของคนที่คนดีเขาทำมาทายัางไงแล้วเราคิดตามเขาบ้าง ถ้าคิดตามอารมณ์ก็รู้จะไปสอนอยังไงจะแก้ยังไงคนบางคนมีแต่ความเกลียดชังฝังอยู่ในใจเกลียดแม้แต่พ่อแต่แม่กม็รู้จะพูดยังไงสอนอยังไงก็สอนไม่ได้คนพวกนี้เป็นพวกที่ขึ้นมาจากนรกเนี่ยพวกเกลียดชังทั้งหลายเห็นใครเกลียดไมหมดไปเกลียดก็าทำไมเขาทำอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อน คำถามตอไปจากคุณดาวขอถามเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังและทุกขังว่าต่างกันอย่างไรครับฟังมาว่าอนิจจังคือแปรปรวนไม่คงที่ทุกขังคือเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันคล้ายกันมากจะแยกอย่างไรครับเราก็ไม่รู้เขาแปลกันมาอย่างไงเราก็รู้ว่านี่อนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงคือมันบ่ายบ้างมันเช้าบ้างยมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ ได้มันเที่ยงได้บ่ามันไม่ได้ใช่ไหมนั่งละมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอันนี้จังง่ายๆเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันบ่าบางทีมันก็เช้าบางทีมันก็บ่ายบางทีมันก็เย็นเนี่ยพอมันไม่เที่ยงมันเลยทําให้เราทุกข์เพราะไงมาเพราะว่าเวลามันบ่ายมันมันร้อนเใี่ไอมมันก็ทุกข์แต่ถ้าเวลามันเย็นมันก็สบายหน่อยมันก็หายทุกข์ ความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจอะไรคือความคือความทุกข์ส่วนความแปลของคนอื่นเราไม่สามารถที่จะไปไปไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปอะไรได้มันแล้วแต่คนจะแปลกันไปความทุกข์ก็คือแปลว่าไม่สุขเวลาไม่สุขมันก็ทุกข์อะเวลาที่เราหิวข้าวนี่สุขหรือทุกข์อะแค่นั้นแ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสุขหรือทุกข์อะ ก็นั่นแหละก็คือความทุกข์ไม่มีอะไรถามกรรมนรมาสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสืบเนื่องมาจากที่ฟังทำเมืสักครู่นี้ค่ะในเรื่องของการสร้างพระนะเจ้าค่ะก่อนที่จะมาพบทำท่านพระอาจารย์นะคะก็เคยได้เรียนกับสํานักหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะเน้นให้ไปในทางการสร้างพระ ซึ่งก็ท่านก็ได้เทศบอกว่าถ้าการสร้างพระเนี่ยมันก็จะได้บุญเป็นแสนกับเท่านี้ล้านกับเท่านี้หรือว่าสร้างอุณารลมก็จะได้เท่านี้ยิ่งมีคนกราบไหว้อะค่ะเราก็จะยิ่งได้บุญซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นอุบายไหมเจ้าค่ะก็ถามว่าท่านไปเอาคำพีไหนม า, มาสอนเนะี่ยดูในพระไตรปิฎกมีสอนไว้หเปล่าไม่ไม่มีเจ้าค่ะท่าแล้วไม่มีแล้วจะไปถือว่าเป็นคาสอนของพระเจ้าได้เปล่า ไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้แล้วก็ไม่นําไปสนใจค่ะเพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันคือถ้าถ้ามีคนมาบอกบุญนี่เราอาจจะทําทําบุญตามกําลังศรัทธาไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราจะทําไรคนมาบอกบุญให้ไปเลี้ยงหมาก็ก็มีในถ่ายวัวถ่ายวัถยวถ่ายควายก็มีในทำอะไรเยอะแยะไปหมดเรื<ม>่องการเรียรายบุญเนี่ยมีทุกรูปทุกแบบก็แล้วแต่เราเราเราศรัทธาเราก็ทําไปไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องทํานะค่ะ แต่เท่าที่เรียนมาก็คือเราก็ต้องเน้นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใช่ไหมคะเจ้าค่ะคือการทําบุญมันก็ได้บุญเนี่ยคือเราเสียสละเราคลายความตณีความความโลภในเงินทองของเราแต่ประโยชน์ที่เราทําบุญนี้มันบางบางทีมันก็ไม่ได้ประโยชน์บางทีมันอาจจะได้โทษก็มีจากการทําบุญของเราเจ้าค่ะก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญา จังเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคําถามจากผู้ฝากถามหน้ากุฏิสองคำถามครับคําถามแรกพระประธานในโบสถ์ถือเป็นพระที่แท้จริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นแบบของพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้สร้างพระประธานเลยครับใช่ใช่สร้างพระอาริยะ <c oughs> พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีพระหานีา่สุปฏิปันโนเนี่ยแบ่ส่วน ด, ดูสิพระสี่ระดับเนี่ยสี่คู่สี่ระดับคำถามที่สองการที่มีคนมาบอกว่าไปไหว้พระในที่ต่างๆแล้วกลับมามีเกิดโชคดีขึ้นเงินทองไหลามาเทมาเราควรวางใจอย่างไรในการฟังครับ ก็ฟังหูไว้หูไนงะเราก็ไปพิสูจน์ดูไนยะเขามีโชคเราเราก็ไปทำดูเลเออถ้าถามว่ามีโชค ก, ก็ดกีก็จริงแต่มันจะจริงกี่ครั้งหรือมันเป็นเรื่องของมันจังหวะบางทีมันจะโชคดีมันก็โชคดีนะมันจะโชคร้ายมันก็โชคร้ายคำถามจากทางเฟ e b o ๊ k คุณชิตชัย <c oughs> ถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสัย ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดชาติหน้าเราจะทําบุญถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะไม่ไปทําบาปใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราทํามากทาน้อยมันเป็นเรื่องนิสยัยหรือสันดานถ้าเป็นนิสยัยมันก็เปลี่ยนได้ง่ายถ้าเป็นสันดานมันก็เปลี่ยนยากคำถามจากคุณมนทิราเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบอยู่กับลมหายใจ จนจิตว่างต่อมารู้สึกว่าลมหายใจนั้นหายไปจิตจึงไปอยู่กับความสงบว่างนั้นแทนสักพักรู้สึกถึงลมหายใจที่กลับมาแต่ความสงบนั้นก็ยังอยู่ควรจะวางจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไปหรืออยู่ที่อารมณ์สงบของจิตครับที่ไหนก็ได้ถ้าจิตมันสงบใ ห, ให้มันรู้เฉยๆไปให้มันรู้เฉยๆไป คำ ถ, ถามจากคุณนัตตี้วางกําลังใจอย่างไรหากมีคนด่าว่าว่างโง่ครับก็ยอมรับเสีย จ, จะได้จะได้จบพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่รู้ว่าตอนเองยั ง, งโง่อยู่นะคนนั้นแหละคือคนฉลาดเพราะจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ฉลาดขึ้นมาแต่ถ้าคิดว่าตอนเองฉลาดแล้วคนนั้นแหละคือคนงโง่ยเห็นใครข้างว่าเรางโง่สาธุสาธุ ขอบคุณมากผมยังโง่อยู่ได้ผมจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมดีต้องคนที่รับตัวเองว่าโงนะ่น่ะคือคนที่จะฉลาดได้ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วนี่ยากที่ที่จะสอนให้เขาฉลาดได้เพราะเขาฉลาดแล้วเราจะไปสอนอะไรเขา <c oughs> คำถามจากคุณปียพงศ์การไหว้พระ9ก้าวัดจะได้บุญกุศลหรือไม่ครับก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าไปไหว้แบบไหน ไหว้แบบภายเลยือไหว้นะ้ำมันก็ไม่ได้เลยถ้าไปแล้วทําบุญใส่บาตรหรือไปฟังเทศฟังธรรมจากพ่าที่วัด น, นั้นๆก็จะก็จะได้บุญบุญในพระหุศาสนาก็มีเนี่ยเช่นการฟังเทศฟังธรรมการทําทานการรักษาศีลการภาวนาเพระฉนั้นจะไปไหว้พระกี่วัดก็ไม่สําคัญสําคัญว่าไปไหว้แบบไหน ถ้าไปไหว้แบบเนี้ย <Okay. S 1> ยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กราบอ่าน <Okay. S 1> ก็อย่าไปเสียเวลา่า mm hmm. เพราะมันไม่ได้กันบุญในพระพุทธศาสนาสอนบุญ mm hmm. ในศาสนาสอนให้ไปวัด mm hmm. ไปไหว้พระเพื่อไปศึกษาธรรมะจากพระ mm hmm. แล้วก็ปฏิบัติ mm hmm. จะทำทานก็ได้จะรักษาศีลก็ได้จะภาวนาก็ได้อย่างนั้น่ะถึงจะได้บุญคำถามจากคุณ ที่คัฒนาใครจะดีใครจะชั่วก็ตัวเขาตัวเราร่มเย็นเป็นพอคิดแบบนี้แล้ววางแต่ก็มีเมตตาให้กับทุกชีวิตให้อภัยกับผู้อื่นอยู่กับใจเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมของเราให้เราสุขใจพอคิดแบบนี้ได้ไหมครับถูกต้องเรื่องใจเราเราก็ต้องให้มันเย็นให้มันสบายใครยังใครก็จะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราที่จะต้องไปวุ่นวายไปกับเขา แต่ถ้าต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกันดูแลกันช่วยเหลือกันเราก็ทำไปด้วยความเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอยู่ไหมโอเคไม่มีจักรจารยังบอกไปได้แล้วมไม่ไรนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ